ขปชาติพระมาหาภัยบูรณาภีปุลโนจากวัดป่าดอนหาโศกตัแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ธรรมาฟังเรามาพบกันที่สถานีวิทยุแห่งนี้ในช่วงเวลายอย่างนี้ประมาณ30นาทีมาฟังสิ่งที่เป็นธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าขปช า, ชาก็จะเลือกเรื่องราวที่เป็นในแนวทางคําสอนนี่แหละอาจจะเป็นสิ่งที่เป็นพุทธพจน์บ้างเป็นคําอธิบายที่เป็นพุทธพจน์บ้าง นำมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันวันนี้ก็จะนําเรื่องราวที่เป็นอุบายในการที่จะระงับความโศกท่านผู้ฟังถ้าเพบว่าเราสูญเสียคนที่เราราักไปเราจะมีวิธีการระงับความโศกอย่างไรพระพุทธเจ้าสอนในเรื่องนี้ไว้อย่างไรแลซึ่งในที่นี้ก็ได้ยกนิทานที่จะให้ท่านผู้ฟังฟังในวันนี้3มเรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของสันตติมหาอมาตมหาอมาตเนี่ยก็หมายถึง รัฐมนตรีนั่นแหละนรัฐมนตรีผู้ที่คอยดูแลการต่างๆให้พระราชาในที่นี้คือพระชาเพรสเซนต์ดิโกศลแต่เขาไปปราบหัวเมืองชนบทคือปัจจันต์ชนบทได้แล้พระราชาก็เลยดีใจมา ก, ลกเลยให้ครองความเป็นพระราชาอยู่7วันในช่วงนั้นก็เจอความโศกที่เกิดจากนางฟ้อนนางรําที่ตัวเองรักชอบตายไปนั่นก็คือเจ้าคนนี้เป็นภรรยานั่นแหะแต่ว่าดันตายซะก่อนเลยเสียใจมาก ไปหาพระบรมเจ้าพระบรมเจ้าให้อุบายในการระงับความโศกเอาไว้เรามาฟังเรื่องราวของสันตติมหาอามาตยกันในการครั้งหนึ่งสันตติมหาอามาตต น, น์ปราบปรามปัจจันต์จุนบทของพระเจ้าเปรตที่โกศลอันกำเริบให้สงบแล้วเดินทางกลับมาต่อมาพระราชาทรงพอพระทยัย จึงประทานราชสมบัติให้เจ็ดวันได้ประทานหญิงผู้ฉลาดในการฟ้อนและการขับนางหนึ่งแก่เขาเขาเป็นผู้มึนเมาสุราสิ้นเจ็ดวันในวันที่เจ็ดประดับด้วยเครื่องอลังการทุกอย่างแล้วขึ้นสู่คอช้างตัวประเสริฐไปสู่ท่าอาบน้ำเห็นพระศาสดา กำลังเสด็จเข้าไปบินดาบา ท, ที่ระหว่างประตูอยู่บนคอช้างตัวประเสริฐนั่นเองพงกศีรษะถวายบังคมแล้วพระศ า, ศาสดาทรงทาการแย้มพระนนทุนดาม่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอแลเป็นเหตุให้ทรงกระทาการแย้มให้ปรากฏเมื่อจะตรัสบอกเหตุแห่งการแย้มจึงตรัสว่า นอนนเธอจงดูสันตติมหาอมาตในวันนี้เองเขาทั้งประดับด้วยอาพอรทุกอย่างเทียวมาสู่สำนักของเราจะบรรลุพระระหัสในเวลาจบคาถาอันประกอบด้วยบทสี่แล้วนั่งบนอากาศช่วยเจ็ดลำตานจะปรินิพันธ์ มหาชนได้ฟังพระดารัสของพระศาสดาผู้กําลังตรัสกับพระติระอยู่บรรดาหมหาชนเหล่าใดพวกมิจฉาทิฏฐิคิดว่าท่านทั้งหลายจงดูกิริยาของพระสมณโคดมพระสมณโคดมนั้นย่อมพูดสักแต่ปากเท่านั้นได้ยินว่าในวันนี้สันตติมหาอมารานั่นมึนเมาสุราอย่างนั้น แต่งตัวอยู่ตามปกติฟังธรรมในสานักของพระสมณะโคโดมนั้นแล้วจะบปริณิพานใน ว, วันนี้พวกเราจะจับผิดพระสมณะโคโดมนั้นด้วยมุสาวาทส่วนพวกสัมมาทิฏฐิคิดกันว่าน่าสจัจร์พระพุทธเจ้าทั้งหลายมีอนุภาพมากใน ว, วันนี้เราทั้งหลายจะได้ดูลีลาของพระพุทธเจ้า และลีลาของสันตติมหาอามาตย์ส่วนสันตติมหาอามาตย์เล่นน้ำตลอดวันที่ถ้าอาบน้ำแล้วไปสู่อุทยานนั่งที่พื้นสำหรับดื่มฟา ย, ยิงนั้นลงไปในท่ามกลางที่เต้นรำเริ่มจะแสดงการฟ้อนและการขับร้องเมื่อนางแสดงการฟ้อน และการขับร้องอยู่ในวันนั้นลมมีพิษเพียงดังสาตราเกิดขึ้นแล้วในภายในท้องได้ตัดเนื้อหาัตายแล้วเพราะความที่นางเป็นผู้มีอาหารน้อยถึง7วันเพื่อแสดงท่วงท่าแห่งสรีระคือความอ่อนแอในตันทีทันใดนั่นเองนางมีปากอ้าและตาเหลือกได้กระทากาละ คือตายลงแล้วสันตติมหามาร์กล่าวว่าท่านทั้งหลายจงตรวจดูนางนั้นในขณะสักว่าคาอันชนทั้งหลายกล่าวว่าหญิงนั่นดับแล้วนายดังนี้เขาถูกความโศกอย่างแรงกล้าครอบงำแล้วในขณะนั้นเองสุราที่เขาดื่มตลอดเจ็ดวัน ได้ถึงความเสื่อมหายแล้วบานประเด็นหยาดน้ำในกระเบื้องที่ร้อนจัดนั้นเขาคิดว่าคนอื่นเว้นพระตถาคตเสียจะไม่อาจเพื่อจะยังความโศกของเรานี้ให้ดับได้เป็นผู้มีพละกายแวดล้อมแล้วไปสู่สำนักของพระศาสดาในเวลาเย็นถวายบังคมแล้วกราบตูอย่างนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความโศกเห็นป่านนี้เกิดขึ้นแก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์มาแล้วด้วยหมายว่าพระองค์จะอาจเพื่อระ ง, งับความโศกของข้าพระองค์ได้ขอพระองค์จงเป็นที่พึ่งของข้าพระองค์เถิดตอนสันตติมหาอมาตบรรลุพระอรหันต์ลำดับนั้นพระศาสดาตรัสกับเธอว่าท่านมาสู่สำนัก ของผู้สามารถเพื่อดับความโศกได้แน่นอนอันที่จริงน้ำตาที่ไหลออกของท่านผู้ร้องไห้ในเวลาที่หญิงนี้ตายด้วยเหตุนี้ละมากกว่าน้ำของมหาสมุทรทั้งสี่นังนี้แล้วจึงตรัสพระกาานี้ว่ากิเลสเรื่องกังวลใดมีอยู่ในการกร่อนเธอจงยังกิเลส เรื่องกังวล น, นั้นให้เหือดแห้งไปกิเลสเครื่องกังวลจงอย่าได้มีแก่เธอในภายหลังแต่เธอจะไม่ยึดถือขันในท่ามกลางจะเป็นผู้สงบระงับเที่ยวไปในการจบระกาสันตติมหาอมาตบัลลุพระรหัสแล้วพิจารณาดูอายุสังขารของตน ทราบความเป็นไปไม่ได้แห่งอายุสังกา r นั้นแล้วทึ้งกราบตูลพระศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์ทงทรงอนุญาตการปรินิพานแก่ข้าพระรงองค์เถิดพระศาสดาแม้ทรงทราบกรรมที่เตอทำแล้วก็ทรงกําหนดว่าพวกมิจฉาทิฏฐิประชุมกันเพื่อคมขี่เราด้วยมุสาวาสจะไม่ได้โอกาส พวกสัมาธิทฐิประชุมกันด้วยหมายว่าจะดูลีลาของพระพุทธเจ้าและลีลาของสันตติมหาอมาตถ์พวกสัมมาทิฏฐิเมื่อฟังกรรมที่สันตติมหาอมาตถ์นี้ทำแล้วจะทำความเอื้อเฟื้อในบุญทั้งหลายหนังนี้แล้วจึงได้ตรัสกับสันตติมหาอมาตถ์ว่าถ้าอย่างนั้น เธอจงบอกกรรมที่เธอทําแล้วแก่เราก็เมื่อจะบอกจงอย่ายืนบนภาคพื้นบอกจงยืนบนอากาศชั่วเจ็ดลำตาลแล้วจึงบอกสัน ต, ติมหาอมาตนั้นทูลรับคำแล้วจึงถวายบังคมพระศาสดาขึ้นไปสู่อากาศชั่วลําตาลหนึ่งลงมาถวายบังคมพระศาสดาอีก ขึ้นไปนั่งโดยบาลังบนอากาศเจ็ดชั่วลำตาลตามลำดับแล้วทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์ทรงสดับบุรพกรรมของข้าพระองค์ตอนบุรพกรรมของสันตาติมหาอามาลในกลับที่90บแต่กลับนี้ครั้นพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าวิปัสสี ข้าพระองค์บังเกิดในตระกูลตระกูลหนึ่งในพันธุมดีนครคิดแล้วว่าอะไรหนอแลเป็นกรรมที่ไม่ทำการตัดรอนหรือบีบคั้นซึ่งจนเหล่าอื่นดังนี้แล้วเมื่อใครโกรูธอยู่จึงเห็นกรรมคือการเปล่าร้องในบุญทั้งหลายจำเดิมแต่การนั้นทำกรรมนั้นอยู่ ชักชวนมหาชนเที่ยวเป่าร้องอยู่ว่าพวกท่านจงทาบุญทั้งหลายจงสมาทานอุโบสถในวันอุโบสถทั้งหลายจงถวายทานจงฟังธรรมชื่อว่ารัตนะอย่างอื่นเช่นกับพุทธรัตนะเป็นต้นไม่มีพวกท่านจงทำสการะรัตนะทั้งสามเถิดตอน ผลของการชักชวนมหาชนบำเพ็ญกุศลพระเจ้าพันธุ์ุมมหาราชผู้ทรงเป็นพระพุทธบิดาทรงสดับเสียงของข้าพระองค์นั้นรับสั่งให้เรียกมาเข้าเฝ้าแล้วระถามข้าพระองค์ว่าพ่อเจ้าเที่ยวทำอะไรเมื่อข้าพระองค์ทูลว่าข้าแต่สมุิเทเ ข้าพระองค์เที่ยวประกาศคุณรัตนะทั้งสามชักชวนมหาชนในการทำบุญทั้งหลายจึงตรัสถามต่อไปว่าก็เจ้านั่งบนอะไรเที่ยวไปก็เมื่อข้าพระองค์ทูลว่าข้าแต่ส ม, มุติเทพข้าพระองค์เดินไปจึงตรัสว่าพ่อเจ้าไม่ควรเพื่อเที่ยวไปอย่างนั้นจงประดับพวงดอกไม้นี้แล้ว นั่งบนหลังม้าเที่ยวไปเติดดังนี้แล้วก็พระราชทานพวงดอกไม้เช่นกับห่วงแก้มุกดาทั้งได้พระราชทานม้าที่ฝึกแล้วแก่ข้าพระองค์ต่อมาพระราชารับสั่งให้ข้าพระองค์ผู้กําลังเที่ยวประกาศอยู่อย่างนั้นนั่นแหละด้วยเรื่องบริหารที่พระราชาพระราชทานมาเฝ้าแล้ว แล้วตรัสถามอีกว่าพ่อเจ้าเที่ยวทำอะไรเมื่อข้าโปร่งทูลว่าข้าแต่สมุิเทเข้าโปร่งทำกรรมอย่างนั้นนั่นแลจึงตรัสว่าพ่อแม้ม้าก็ไม่สมควรแก่เจ้าเจ้าจงนั่งบนรถนี้เที่ยวไปเถิดแล้วได้พระราชทานรถที่เทียมด้วยม้าสินทบสี่ตัว แม้ในครั้งที่สพระราชาส่งสดับเสียงของข้าพระองค์แล้วรับสั่งให้มาสรัดตามว่าพ่อเจ้าเที่ยวทำอะไรก็เมื่อข้าพระองค์ทูลว่าข้าแต่สมุติเทพข้าพระองค์ทำกรรมนั้นแลจึงตรัสว่าแน่พ่อแม้รถก็ไม่สมควรแก่เจ้าแล้วจึงพระราชทานโภคเป็นอันมาก และเครื่องประดับใหญ่ทางได้พระราชทานช้างเชือกหนึ่งแก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์นั้นประดับด้วยอาบอ์ทุกอย่างนั่งบนคอช้างได้ทํากรรมของผู้เป่าร้องธรรมสิ้นแ0ดหมื่นปีกลิ่นจันฟุ้งออกจากกายของข้าพระองค์กลิ่นดอกบัวฟุ้งออกจากปากตลอดการมีประมาณเท่านี้ นี้เป็นกรรมที่ข้าพระองค์ทำแล้วสันตติมาหมานั้นครั้นทูลบุรพกรรมของตนอย่างนั้นแล้วนั่งบนอากาศเที่ยวเข้าเตโชธาตุปรินิพานแล้วเปลวไฟเกิดขึ้นในสรีระไม่เนื้อและโลหิตแล้วธาตุทั้งหลายดุจ ด, ดอกมะลิเหลืออยู่แล้วพระศาสดาทรงคลี่ผ้าขาว ้าตทั้งหลายก็ตกลงบนผ้ากาวนั้นพระศาสดาทรงบรรจุธาตเหล่านั้นแล้วรับสั่งให้สร้างสตูว้ในทางใหญ่สี่แพร่งด้วยทรงประสงค์ว่ามหาชนใบแล้วจะเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญดังนี้ตอนสันตติมหาอมาตควรเรียกว่าสมณะหรือพรามพวกภิกษุ สนทนากันในโรงธรรมว่าท่านผู้มีอายุสันตติมหาอามาตบรรลุพระอรหันต์ในเวลาจบพระคาถาคาถาเดียวยังประดับประดาอยู่นั่นแหละนั่งบนอากาศปริญนิพาน์แล้วการเรียกเธอว่าสมณนะควรหรือหนอแลหรือเรียกเธอว่าพราหมณ์จึงจะควรพระศาสดาเสด็จมาตรัสถามว่า ภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งประชุมกันด้วยคาถาอะไรเนอเมื่อภิกษุทั้งหลายตูลว่าพวกข้าพระองค์นั่งประชุมกันด้วยคตถาชื่อนี้พระเจ้าข้าจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายการเรียกบุตรของเราแม้ว่าสมณะก็ควรเรียกว่าพราหมณ์ก็ควรเหมือนกันอย่านี้ เมื่อจะทรงสืบอนุสนนีิแสดงธรรมจึงตรัสประกาศนี้ว่าอลังกโตเจปิสมังจริยะฉันโตทันโตนิยะโตพระมจารีสัมเพสุปูเตสุนิทายะทันทังโสรามโน โ, โสส ม, มนโนสภ พ, พิกุแม้ถ้าบุคคลประดับแล้ว พึงประพฤติสม่ำเสมอเป็นผู้สงบฝึกแล้วเที่ยงธรรมมีปกติประพฤติประเสริฐวางเสียซึ่งอาญาในสัตว์ทุกชำพวกบุคคลนั้นเป็นพรามเป็นสมณะเป็นพิกษุบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าอลังกโตแปลว่าประดับแล้วได้แก่ประดับ ด้วยผ้าและอาภรณ์มณิตพึงทราบความแห่งรักถานั้นว่าแม้หากว่าบุคคลประดับด้วยเครื่องอลังการมีผ้าเป็นต้นพึงประพฤติสม่ำเสมอด้วยกายเป็นต้นชื่อว่าเป็นผู้สงบเพราะความสงบระงับแห่งราคะเป็นต้นชื่อว่าเป็นผู้ฝึกเพราะฝึกอินรีย์ชื่อว่าเป็นผู้เที่ยง เพราะเที่ยงในมรรคทั้งสี่ชื่อว่าปรมจารีเพราะประพฤติประเสริฐชื่อว่าวางอาจยาในสัตว์ทุกจาพวกเพราะความเป็นผู้วางเสียซึ่งอาจยาทางกายเป็นต้นแล้วผู้นั้นคือผู้เห็นปานนั้นอนบุคคลควรเรียกว่าพรามเพราะความเป็นผู้มีบาปอันลอยแล้วก็ได้เรียกว่าสมณะ เพราะความเป็นผู้มีบาปอันสงบแล้วก็ได้เรียกว่าภิกษุเพราะความเป็นผู้มีกิเลสอันทำลายแล้วก็ได้โดยแท้ในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัติผลเป็นต้นดังนี้แหละเรื่องสันตติมาหาอมาร ซึ่งอุบายที่พระพุทธเจ้าได้ให้ไว้กับสันตติมหาม า, าในที่นี้ก็คือเรื่องของคล้ายๆกับเรื่องของนางปตาจาราก็คือให้พิจารณาเห็นถึงความที่เราจะต้องเสียน้ําตามาเยอะแยะมากมายขนาดไหนในนิทานท้องเรื่องตรงนี้ก็ยัได้บอกถึงประวัติของสันตติมหาม า, าด้วยว่าท่านได้ทำกรรมอย่างไรอย่างไรมาจนกระทั่งถึงลีลาการปริณิพันธ์ของท่านสันตติมหาม า, าที่เพิ่มเติมให้ จุดหนึ่งที่เป็นคําศัพท์ที่พูดถึงในที่นี้ก็คือคําว่าสมณะเราจะแปลสมณะจากภาษาบาลีแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยก็แปลว่าผู้สงบเราจะแปลคําว่าพราหม์ก็คือผู้ลอยบาปนีพราหมเนี่ยเขาทาพิธีในการลอยบาปทําอะไรต่างๆก็เลยเรียกว่าเป็นพราหม์ส่วนคําว่าภิกษุก็จะมีวิธีการวิเคราะห์หลายอย่างภิกษุมาจากคําว่าภิกขาจารย์ก็ได้ไปเที่ยวขอเขาหรือว่าภิกษุมาจาก คำว่าการต่อยกิเลสก็ได้ในะการทำลายกิเลสซึ่งในที่นั้นตอนจบของนิทานเรื่องนี้ท่าภิกษุทั้งหลายเขาก็คุยกันแหะว่าเอ๊สันตติอมหมาอ ม, มาดนี่ยังเป็นคารวาตอยู่เนี่ยเราจะเรียกว่าเขาเป็นภิกษุได้ไหมจะเรียกว่าเป็นสมณะได้ไหมอันนี้เป็นลักษณะของการปริณิพานธ์ที่ว่าได้บรรลุอรหันต์แตะไม่ก่อนไม่หลังต่อการตายะแสดงว่ามีอินทรีย์แก่กล้าขึ้นมา ในกรณีของสันตติมหามาตซึ่งพระพุทธเจ้าก็รับรองละ่ะแต่ถ้าพระองค์ใช้คําว่าเป็นบุตรของเราเนี่ยก็คือรับรองละนว่าถึงบรรลุธรรมขั้นสูงในในทิทานเรื่องถัดมาที่จะให้ฟังในที่นี้ก็คือเรื่องของอนิธิคันตะ ก, กุมนันซึ่งมารดาบิดาก็จัดหาภรรยามาให้แต่ภรรยานี่ด้วยความสวยงามด้วยความบอบบางกําลังเดินทางมาอยู่ ยังไม่ทันเจอเจอหน้ากันเลยาตายซะในระหว่างทางแเรวมาฟังเรื่องราวของอนิธิคันตกุมารนว่าเขามีความเป็นมาอย่างไรและทําอย่างไรเขาถึงจะระงรับอุบายในการแก้กความโศกที่พระพรุทธเจ้าให้กับอนิติคันตะกุมารได้ได้ยินว่าอนิติคันทะกุมาร น, นั้นเป็นสัตว์ที่จุติจากพรหมโลกเกิดในตระกูลที่มีพอกามาก ในกรุงสาบทีตั้งแต่วันที่เกิดมาแล้วไม่ปรารถนาจะเข้าไปใกล้หญิงถูกผู้หญิงจับก็ร้องไห้มารดาต้องอุ้มกุมานนั้นด้วยเสื้อผ้าแล้วจึงให้ดื่มนมกุมานนั้นเจริญวหวแล้วเมื่อมารดาบิดากล่าวว่าพ่อเราจะทำอาวาหะมงคลแก่เจ้าก็ห้ามว่า ฉันไม่มีความต้องการด้วยผู้หญิงแต่เมื่อถูกอ้อนวอนบ่อยเข้าจึงให้เรียกช่างทองมาแล้วห้ารอคนให้ทองคำที่มีสีสุกพันแท่งให้ทำรูปหญิงบุอย่างหนาหน้าเลื่อมใส ย, ยิ่งนักและเมื่อบารดาบิดากล่อีกว่าพ่อเมื่อเจ้าไม่ทำอาวาหะมงคลคือการแต่งงาน ตระกูลบงจะตั้งอยู่ไม่ได้เราจะนำกุมาริกามาให้เจ้า่นนี้แล้วเขาก็กล่าวว่าถ้ากระนั้นถ้าท่านทั้งสองจะนำกุมาริกาเช่นนั้นมาให้ฉันฉันจะทำตามคำของท่านทั้งสอง่นนี้แล้วจึงแสดงรูปทองคำนั้นลำดับนั้นมารดาบิดาของเขาให้ป่าพวกพรามที่มีชื่อเสียงมา แล้วบอกว่าบุตรของเรามีบุญมากคงจะมีกุมาริกาผู้ทําบุญร่วมกับบุตรนี้เป็นแน่พวกท่านจงไปจงพาเอารูปทองคํานี้ไปแล้วนํานางกุมาริกาผู้มีรูปเช่นนี้มาดังนี้แล้วทรงพราหมณ์เหล่านั้นไปพราหมณ์เหล่านั้นรับคําดังนั้นแล้วเที่ยวจาริไปถึงสาคละ นครในแคว้นชื่อมัทะตอนพรามพบหญิงมีรูปดุดรูปหลอแล้วกลับมาก็ในนครนั้นได้มีกุมาริกาคนหนึ่งมีรูปสวยมีอายุรุ่นราว16บวปีมานาบิดาให้นางอยู่ที่พื้นชั้นบนแห่งประสาทเจ็ชั้นปรามแม้เหล่านั้น เกิดว่าก็ท่าไหนนครนี้จะมีกุมาริกาเห็นป่านนี้ชนทั้งหลายเห็นรูปทองคํานี้แล้วก็จะกล่าวว่ารูปจําลองนี้สวยเหมือนธิดาของตระกูลโน้นนี้แล้วพระรามเหล่านั้นจึงตั้งรูปทองคำนั้นไว้ริมทางไปสู่ท่าน้ํานั่งคอยเฝ้านะที่ขุนข้างหนึ่งลำดับนั้นหญิงแม่นมของ กุมาริกานั้นให้กุมาริกานั้นอาบน้ำแล้วใครจะอาบเองบ้างจึงไปสู่ท่าน้ำเห็นรูปนั้นสำคัญว่าทิดาของเราจึงกล่าวว่าโอ้แม่หัวดือ้อเราให้เจ้าอาบน้ำแล้วออกมาเมื่อกี้นี้เองเจ้าล่วงหน้ามาที่นี่ก่อนเราหังนี้แล้วจึงตีด้วยมือ รู้ความที่รูปนั้นแข็งและไม่มีการเคลื่อนไหวจึงกล่าวว่าเราได้ทำความเข้าใจว่านางนี้เป็นทิดาของเราเอ๊ะนี่อะไรกันก็ในลำดับนั้นพราวเหล่านั้นถามหญิงแม่นมนั้นว่าแม่ทิดาของท่านมีรูปเห็นปานนี้หรอกหรือหญิงแม่นมรูปนี้จะมีค่าอะไรในสำนักทิดาของเรา พวกปรามถ้าอย่างนั้นท่านจงแสดงทิดาของท่านแก่พวกเรายิงแม่นมนั้นไปสู่เรือนพรามด้วยปรามทั้งหลายนั้นแล้วก็บอกแก่นายคือเจ้าบ้านนายทำความชื่นชมกับพวกปรามแล้วให้ทิดาลงมายืนอยู่ในที่ใรรกรรนะาาล้รูปทองคำณประสาทชั้นล่างรูปทองคมได้เป็นรูปหมดรัศมีแล้ว พวกรามจึงให้รูปของคํานั้นแก่นายนั้นแล้วมอบไม้กุมาริกาไว้แล้วไปบอกแก่มารดาบิดาของอนิธิคันตกุมารตอนผู้ครองของอนิธิคันตกุมารตายในระหว่างทางมารดาบิดานั้นมีใจยินดีแล้วกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงไปนํากุมาริกานั้นมาโดยเร็วหนังนี้แล้ว จงไปด้วยสาการะเป็นนันมากฝ่ายกุมารได้ยินข่าวนั้นก็ยังความรักให้เกิดขึ้นด้วยการได้ยินเพียงคำว่ามีเด็กรูปสวยยิ่งกว่ารูปทองคำนั้นอีกกุมารนั้นจึงกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงนามาโดยเร็วเถิดกุมาริกาแมนนั้นและันเขายกขึ้นสู่ยานนามาอยู่ มีโรคลมอันความกระทบกระทั่งแห่งญาณให้เกิดขึ้นแล้วได้ทำกาละในระหว่าง่างนั้นหนึ่งเพราะความที่นางเป็นผู้รียดอนยิ่งนักแม้กุมารก็ถามอยู่เสมอว่ามาแล้วหรือชนทั้งหลายไม่บอกแกกุมาร น, นั้นซึ่งถามอยู่ด้วยความเสนยหายอย่างยิ่งโดยพลันทีเดียว แต่ทำการอำพรางเสียสองถึงสามวันแล้วจึงบอกเรื่องนั้นกูมานั้นเกิดโทมนัสขึ้นว่าเราไม่ได้สมาคมกับหญิงชื่อเห็นปานนั้นเสียแล้วได้เป็นผู้ถูกทุกข์คือความโศกประหนึ่งบุกเขา่าท่วมทับแล้วตอนรัศาสดาทรงแสดงอุบายระ ง, งับความโศก พระศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยของกุมารนั้นเมื่อเสด็จไปบินาบาบจึงได้เสด็จไปยังประตูรเรือนนั้นลำดับนั้นมารดาบิดาของกุมารนั้นอัญเชิญพระศาสดาเสด็จเข้าไปภายในเรือนแล้วอังคาศคือการถวายพระด่านต่างๆโดยเคารพในเวลาเสร็จพัตกิจพระศาสดาตรตามว่าก็อนิจติ คันตกุมารไปไหนมานดาบิดาตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอา น, นิสติกันตะกุมานนั่นอดอาหารนอนอยู่ในห้องพระศาสดาถ้าอย่างนั้นจงเรียกเธอมาอา น, นิสติกันตะกุมาร น, นั้นมาถวายบังคมพระศาสดาแล้วนั่งนะส่วนข้างหนึ่งเมื่อพระศาสดาตรัสถามว่ากุมารความโศกมีกําลัง เกิดขึ้นแล้วแก่เธออย่างนั้นหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเป็นอย่างนั้นพระโชกลาความโศกมีกำลังเกิดขึ้นแล้วแก่ข้าพระองค์เพราะได้ยินว่าหญิงชื่อเห็นปานนี้ทํากาละคือตายในระหว่างทางเสียแล้วแม้พัดข้าพระองค์ก็ไม่หิวลาแบบนั้นพระศาสดาจึงตรัสกับล่าว่ากูมานก็เธอรู้ไหมว่า ความโศกเกิดแก่เธอเพราะอาศัยอะไรข้าพระองค์ไม่ทราบพระชุกขาขากุมารความโศกมีกำลังเกิดขึ้นแก่เธอเพราะอาศัยกามความโศกก็ดีภัยก็ดีย่อมเกิดขึ้นเพราะอาศัยกามดังนี้แล้วจึงได้ตรัสพระคถานี้ว่ากามตโตชัยติโศโกกามตโต ใจอตติประยังกามัโตวิปปามุตตะสะนัติโสโกโกุโตประยังความโศกย่อมเกิดแต่กามภัยย่อมเกิดแต่กามผู้พ้นวิเศษแล้วจากกามความโศกย่อมไม่มีภัยจะมีแต่ที่ไหนคหนธรรมดาคำเหล่านั้นคำว่าการมัโต คือแต่กามหมายความว่ า, วาจากวัตถุกรมและกิเลสกรรมอธิบายว่าความโศกก็ดีภัยก็ดีย่อมอาศัยกามแม้ทั้งสองอย่างนั่นเกิดในการจบเทสนาอ น, นิธิคันตะกุมานตั้งอยู่แล้วในโซดาปฏิพลดังนี้แหละเรื่องอ น, นิธิคันตะกุมาน ในเรื่องของอนิติคันต ก, กุมา น, นี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งในฝังที่ว่าระงรับความโศกได้เพราะว่าก็มีพื้นฐานอยู่แล้วในเป็นสัตว์ที่มาจากพรหมโลกมาเกิดซึ่งถ้ามาจากพรหมโลกเนี่ยความยินดีในการนี่มันจะน้อยกว่าคนทั่วๆไปแน่นอนซึ่งวอาความยินดีในการน้อยกว่าคนทั่วๆไปเอากระตีโศกนี่มันก็เพราะการรมพอพระพุทธเจ้าชี้ทางให้นิดนึงเนี่ยมันก็สะกิดใจได้ละตื่นขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมาโอ้ เรามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการก็เลยสามารถลักความโศกตรงนี้ได้ลองคิดดูบางคนเราก็สามารถที่จะรักชอบคนอื่นได้โดยที่ไม่ได้เห็นหน้ากันด้วยซ้ำไม่ได้เคยเห็นหน้ากันด้วยซ้าก็ยังรักชอบกันอยู่อันนี้ก็จะเป็นเหตุของความทุกข์ละเรื่องของความรักเป็นเหตุของความทุกข์ในเรื่องสุดท้ายที่ใช้ฟังในวันนี้เป็นเรื่องของเจ้าลิชวีซึ่งคาถาที่พระพุทธเจ้าตรัสในที่นี้จะคล้ายๆกันแต่เปลี่ยนแค่บางบทเปลี่ยนจะนะ พราพเจ้าเอามาให้ทั้งผู้ฟังฟังเนี่เพื่อจะได้เสริมเติมให้เต็มเป็นเรื่องราวของการที่เขาทะเลาะ ก, กนนันด้วยนางบําเรอที่เป็นของชนชั้นกษัตริย์ในที่นั้นเรามาฟังเรื่องราวของเจ้าฤาวีที่พระพุทธเจ้ายกตัวอย่างอธิบายในการที่จะไม่ให้มีความยินดีในสิ่งที่เป็นของสวยงามเราก็ถือเป็นการลารายการไปด้วยเลยทั้งผู้ฟังแในะวันนี้ให้ฟังนิทานกันสามเรื่องเต็มๆ เ, เรื่องของเจ้าิชวีทั้งผู้ฟัง ในวันมหหรสพวันหนึ่งเจ้าลิชวีเหล่านั้นต่างองค์ต่างประดับด้วยเครื่องประดับไม่เหมือนกันออกจากพระนครเพื่อทรงประสงค์จะเสด็จไปอุทยานพระศาสดาเสด็จเข้าไปบินนบาต ท, ทรงเห็นเจ้าลิชวีเหล่านั้นจึงตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงดูพวกเจ้าลิชวีพวกที่ไม่เคยเห็นเทวดาชั้นดาวดึงก็จงดูเจ้าลิชวีเหล่านี้เถิดดินนี้แล้วก็สเสด็จเข้าสู่พระนครเพื่อบินาบาตแม้เจ้าลิชวีเหล่านั้นเมื่อไปอุทยานพาหญิงนครโสพินีคือนางบัมเบอคนหนึ่งอาศัยหญิงนั้นอันความริษยา งามแล้วทำร้ายกันและกันยังเลือดให้ไหลนองดูดแม่น้ำครั้งนั้นพวกเจ้าพนักงานเอาเตียงหามเจ้าฤชวีเหล่านั้นมาแล้วฝ่ายพระสระดาทรงทำพัตกิจเสร็จแล้วก็เสด็จออกจากพรรณกรพวกภิกษุเห็นพวกเจ้าฤชวีอันเจ้าพนักงานนำไปอยู่อย่างนั้น จึงกราบดูนกับพระสัสดาว่าข้าแต่พระงพผู้เจริญพวกเจ้าฤาวีเมื่อเช้าตรูประดับประดาแล้วออกจากพระนครราวกับพวกเทวดาแบด น, นี้อาศัยหญิงคนหนึ่งถึงความพินาศแล้วพระสัสดาจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายความโศกก็ดีภัยก็ดีเมื่อจะเกิด ย่อมมาใส่ความยินดีนั่นเองเกิดดังนี้แล้วจึงได้ตรัสประกาศานี้ว่ารัติยาชายติโโซโกโรัติยาชายติพระยังรัติยาวิปปมุตตสสนณติโซโกโกุโตพะยังแปลว่าความโศกย่อมเกิดแต่ความยินดีภัยย่อมเกิดแต่ความยินดี ความโศกย่อมไม่มีแก่ผู้ผลิวิเศษแล้วจากความยินดีไพ่จะมีแต่ที่ไหนก็ในบรราคำเหล่านั้นคําว่ารัติยาแต่ความยินดีนั้นหมายความว่าคือความยินดีในกามบุญทั้ง5คือพรักอาศัยความยินดีในกามบุญทั้งห้านั้นในการจบเทศนาะจนเป็นอันมาก บรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิพย์เป็นต้นดังนี้แหละเรื่องเจ้าลิชวี